บทภาชนีติกะปาจิตตีสี่ร้อยแที่ทําถูกต้องภิกษุสํคาคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องให้จีวันไปแล้วกลับตีเตียนต้องอบัตปาจิตตีกรมที่ทําถูกต้องภิกษุไม่แน่ใ จ, ใ ห, จให้จีวันไปแล้วกลับตีเตียนต้องอบัตปาจิตตีกรคมที่ทําถูกต้องภิกษุสํคาคัญว่าเป็นกรคมที่ทําไม่ถูกต้องให้จีวันไปแล้วกลับตีเตียนไม่ต้องอบัตทุกกด ภิกษุให้บริการอย่างอื่นไปแล้วกลับตีเตียนต้องอบัตรทุกกฎภิกษุให้จีวรหรือบริการอย่างอื่นแก่อุปสัมบันที่ทรงไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะแจกอาหารแจกข้าวต้มแจกผลไม้แจกของเคี้ยวหรือแจกของเล็กๆน้อยๆแล้วกลับตีเตียนต้องอบัตรทุกกฎภิกษุให้จีวรหรือบริการอย่างอื่นแก่อนุปสัมบันิที่สงแต่งตั้งหรือไม่ได้แต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่จัดแจงเสนาสนะแจกอาหารแจกข้าวต้มแจกผลไม้แจกของเคี้ยวหรือแจกของเล็กๆน้อยๆแล้วกลับตีเตียนต้องอบัตทุกกฎคมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรมทีท่ทําถูกต้องต้องอบัตทุกกรคำที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรมทีท่ทําไม่ถูกต้องไม่ต้องอบัต